วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2565ช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้เป็นเวลาการถวายผ้ากระถินคือเริ่มตั้งแต่ระยะ ตั้งแต่วันออกพรรษาคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนส1บอดที่ตรงกับวันที่สิบอดตุลาคมที่ผ่านมานี้ไปจนถึงวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนส2บสองที่เป็นวันลอยกระทงเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาต ให้สาธุชนพุทธบอยสัตว์ผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้ได้มีโอกาสได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการถวายผ้ากถินให้แก่พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมา คำว่ากรถินนี้เป็นชื่อของไม้ขึงผ้าสมัยก่อนเวลาจะเย็บผ้าต้องขึงผ้าต้องมีไม้เป็นไม้ขึงไม้ที่ขึงผ้านี้เรียกว่ากรถินจึงเป็นที่มาของคำว่าผ้ากระถินส่วนการที่มาของการถวายผ้ากระถินนี้เนื่องจากว่า เป็นช่วงที่พระพุทธศาสนาเพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นมาและเริ่มมีผู้มีจิตศรัทธาที่ออกบวชเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นตามลำดับในระยะแรกๆของการก่อตั้งพระพุทธศาสนานี้ ไม่มีการถวายผ้ากระถินเพราะว่าเป็นธรรมเนียมของนักบวชในสมัยนั้นที่จะไปหาผ้ามาใช้เองคือไปเก็บผ้าที่ทิ้งไว้ตามป่าชา้าผ้าหอ่อศพสมัยก่อนเขาไม่ฝังเขาไม่เผาศพกันเราเอาผ้ามัดหอ่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชา้า ให้เน่าเปื่อยไปนักบวชสมัยนั้นถ้าต้องการผ้าก็จะไปเก็บผ้าในป่าชาผ้านี้เขาเรียกว่าผ้าบางสกุลบางสกุลก็คือผ้าป่าผ้าป่าช้าผ้าที่เก็บจากป่าชาสมัยนี้เราตัดคำว่าป่าชาคาว่าชาออกจากป่าป่าชาเรียกสั้นๆว่าเป็นผ้าป่า ผ้าบางสกุลสมัยแรกๆมีผ้ามาบวชยังไม่มากจำนวนผ้าในป่าชาก็ยังพอเพียงอยู่แต่ต่อมาเมื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ขยายกว้างออกไปมีผู้ได้บรรลุธรรมมีเป็นจำนวนมากขึ้นตามลำดับทำให้เกิดมีผู้มีจิตศรัทธา ที่อยากจะบรรลุธรรมได้สละเพศของคาราวาะเพื่อออกมาบวชเป็นพระภิกษุก็ต้องไปหาผ้าในป่าช้ามาเป็นผ้าจีวร น, นุ่งหม่มไปเก็บผ้ามาตัดมาเย็บมาซักมาย้อมเป็นผ้าสามผืนผ้าใจความจริงยุคแรกๆนี้มีเพียงสองผืน คือผ้านุ่งกับผ้าห่มผ้าที่เป็นผ้าห่มกันหนาวนี้ยังไม่มีในยุคแรกๆมีเพียงสองผืนผ้านุ่งที่เรียกว่าผ้าสมงและผ้าห่มที่เรียกว่าผ้าจีวอทีนี้เมื่อมีผ้ามีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นผ้าก็ขาดแคลนไม่พอใช้พระพุทธเจ้าจึงต้อง บอกหรือสอนญาติโยมว่าผ้าพิกษุกันลำลำบากมีผ้าจีวรไม่พอเพียงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำบุญที่มีคุณมีประโยชน์มากเพราะตอนนี้ผ้าพิกษุเดือดร้อนเรื่องผ้ากันมากถ้าได้ถวายผ้ากรถิน นี่จะเรียกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์มากอันนี้ก็จึงทรงกำหนดเวลาให้ศรัทธาญาติโยมถวายผ้าให้กับพระภิกษุได้แต่ไม่ทรงให้ถวายมากเกินไปเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมีผ้ามากและก็ไม่ต้องไม่อยากจะให้เสียเวลากับการมา รับผ้ามาตัดผ้าเย็บผ้ากันอยู่ทั้งปีจึงทรงกําหนดเวลาระยะเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นสำหรับการถวายผ้ากะถินให้ต่อผ้าภิกษุที่อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนและแต่ละวัดนี้จะรับผ้ากะถินได้เพียงครั้งเดียวก็พอ ไม่จําเป็นที่จะต้องรับมากๆหลายๆครั้งด้วยกันเพราะจะทําให้เสียเวลาของการปฏิบัติธรรมไปพระภิกษุมาบวชนี้เพื่อมาปฏิบัติธรรมเพื่อการดุดพ้นเพื่อการบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานไม่ได้มาบวชเพื่อมาสะสมผ้าจีวระ้าจีวร น, นี้ให้มีพอเพียงต่อความต้องการก็พอ คือมีครบหนึ่งสำรับผ้าผืนที่สามนี้มาในภายหลังผ้าเรียกก็ผ้าสังคติเป็นผ้าห่มกันหนาวเนื่องจากยุคแรกๆนี้ผู้ที่มาบวชนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมีอินทรีย์ที่แก่กล้าเป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นส่วนใหญ่จึงมีจิตใจที่ ไม่หวั่นไหวต่ออากาศที่หนาวเย็นแต่ต่อมามีผู้ที่มาบวชในภายหลังยังไม่มีอินทรีย์ที่แก่กล้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลผนิพพานจิตใจจึงหวั่นไหวต่ออากาศที่หนาวเย็นได้จึงมากราบทูลพระพุทธเจ้าถึงปัญหาของความหนาวเย็นเนื่องจากผ้าจีวรผืนเดียวนื่ ไม่พอปกป้องความหนาวเย็นได้พระพุทธเจ้าจึงทรงพิจารณาด้วยการนั่งสมาธิในช่วงหัวค่ำห่มผ้าจีวรหนึ่งผืนคือตั้งแต่หกโมงถึงสี่ทุ่มพอถึงสี่ทุ่มนี้อากาศเริ่มเย็นมากขึ้นก็เลยต้องเอาผ้าจีวรมาห่ม یک, อีกผืนหนึ่งเป็นสองผืน พอถึงตีสองความหนาวก็เพิ่มมากขึ้นอกีกผ้าสองผืนก็ไม่พอจึงเอาผ้าผืนที่สามมาหม่มจึงเป็นที่มาของผ้าชิ้นที่สามเป็นผ้าจีวรสองชั้นเพื่อมีไว้สำหรับห่มกันหนาวกันเป็นผ้าที่ญาติโยมจะเห็นพระเวลาทำพิธีจะเป็นผ้าผาดบญไหล อันนั้นแหละคือผ้าผืนที่สามที่เรียกว่าผ้าสังคติเป็นผ้าห่มกันหนาวเช่นตอนนี้เริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วต่อไปท่านก็จะเอาผ้าผืนที่สามนี้ที่เรียกว่าผ้าสังคตินี้เอามาห่มกันหนาวผ้าสมัยนั้นเขาไม่มีผ้าห่มเหมือนสัทธาญาดอยไม่มีผ้าห่มผ้านวมผ้าขนสัตว์อะไรเหล่านี้ ท่านอาศัยผ้าจีวรที่ท่านมีอยู่พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติผ้าผืนที่สามขึ้นมาให้พระภิกษุไว้ใช้เวลาที่มีอากาศที่หนาวเย็นแล้วผ้าจีวรผืนเดียวที่ใช้เป็นปกตินี้ไม่พอกับการป้องกันความหนาวเย็นก็ลเลยให้ทําผ้าขึ้นมาผืนที่สามโดยให้ทําเป็นผ้าสองชั้น เป็นผ้าจีวรสองผืนแยกติดกันเรียกว่าผ้าสังคติผ้านุ่งนี้เรียกว่าผ้าสบงผ้าห่มผืนเดียวชั้นเดียวนี้เรียกว่าผ้าจีวรแล้วก็ผ้าสังคติเป็นผ้าสองชั้นซึ่งธรรมดามักจะไม่ได้ใช้กันแต่เป็นธรรมเนียมของการรักษาผ้า เวลาพระไปไหนนี้ต้องเอาผ้าทั้งสามผืนไปแม้แต่เวลาที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆก็ให้เอาผ้าสังกติผ้าไหลไปด้วยเพราะสมัยก่อนนั้นอยู่ในที่ไม่มีที่มิชชิดไม่มีกุฏิส่วนใหญ่จะอยู่ตามโคนไม้ตามเรือนร้างตามเนื้อมผาถ้าไม่เอาผ้าติดตัวไปด้วย ก็เวลาอ า, อาจจะถูกสัตว์มามาเล่นไปเอาไปเล่นเช่นยิกพวกฝูงลิงนี่ถ้าเจอผ้าก็อาจจะเอาผ้าไปเล่นไปอะไรไปกัดกันหรือในยุคนั้นผ้าเป็นสิ่งที่หายากอาจจะมีขโมยเห็นมีโอกาสไม่มีไม่มีใครดูแลผ้าก็จะมารักผ้าผืานนั้นไปได้ ยังเป็นธรรมเนียมของพระที่เวลาไปไหนมาไหนนี้จำเป็นที่จะต้องเอาผ้าให้ครบสามผืนไปด้วยเวลาบิณฑบาตนี้ผ้าป่าก็จะเอาผ้าสังกติซ้อนกับผ้าจีวรห่มทีเดียวส า, สามชั้นเลยเวลาออบิณฑบาตกันเพื่อที่จะรักษาผ้าไม่ให้ห่างจากกายห่างจากสายตา ทางจากการดูแลรักษานั่นเอง น, นี่คือผ้าของพระที่เดี๋ยวนี้มีสามผืนเรียกว่าผ้าไตรจีวอนตอนเริ่มต้นนี้มีเพียงสองผืนต่อมาทรงอนุ ญ, ญาตผืนที่สามให้เป็นผ้าห่มกันหนาวแล้วผ้านี้เมื่อใช้ไปใช้ไปปีหนึ่งมันก็ต้องสึกหรอมีขาดมีมีม ใช้ไม่ได้กันต้องปะต้องเย็บกันพระพุทธเจ้าเห็นความยากลำบากของการหาผ้ามาใช้ของพระภิกษุจึงได้ประกาศบอกให้ญาติโยมทำบุญถวายผ้าให้แก่พระเรียกผ้านี้ว่าผ้ากระถิ่นแต่ไม่ให้ถวายมากจนเกินไปและให้มีขอบเขตเวลาของการถวาย เรียกว่ากระถินญาการกระถินนาการคือระยะเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่วันออกพรรษาไปจนถึงวันลอยกระทงเป็นวันสุดท้ายเป็นเขตของกระถินญาการที่ศรัทธาญาติโยมสามารถนำมาผ้าไปถวายให้แก่พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาในวัดต่างๆได้และในแต่ละวัดนี้ก็จะให้อนุญาตให้รับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็พอ เพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรับหลายๆครั้งด้วยกันผ้านี้ก็พอเพียงถ้าญาติโยมนำามาไปถวายให้กับพระที่อยู่จำารรษาทุกลูปอันนี้คือที่มาของนึกผ้ากระถินที่ทรงบอกว่ามีอนิสงส์มีประโยชน์มากนี้ไม่ได้หมายความว่ามีบุญมากกว่าปกติถวายผ้านอกเวลากระถิน กับถวายผ้าในกระถินนี้ถ้าเป็นผ้าจํานวนเท่ากันก็ได้บุญเท่ากันบุญมากบุญน้อยไม่ได้อยู่ที่ว่าถวายตอนเป็นกระถินนาการเป็นผ้ากระถินหรือถวายตอนที่เป็นผ้าสังฆทานหรือผ้าบางสกุลอันนี้บุญเท่ากันถ้าเป็นปริมาณผ้าจํานวนเท่ากัน บุญนี้เกิดจากการเสียสละของผู้ให้ถ้าเสียสละมากก็ได้บุญมากเสียสละน้อยก็จะได้บุญน้อยสมมุติวา่าถ้าถวายผ้ากรถินหนึ่งผืนแล้วเวลาพ้นกรถินนาการไปแล้วไปถวายผ้าเป็นสังฆทานหรือเป็นผ้าป่าสิบผืนอย่างนี้การถวายผ้าสิบผืนนี้จะได้อานิสงส์ได้ได้บุญมากกว่า การถวายผ้ากรถินหนึ่งผืนดันั้นผู้ที่ไม่ได้ถวายผ้ากรถินก็อย่าไปเสียใจเพราะจะส่วนใหญ่จะหลงผิดที่กันว่าเกิดมาชาตินี้ต้องเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากรถิ่นหนึ่งครั้งเพื่อจะได้บุญมากๆบุญมากๆที่จะได้นี้ไม่ได้อยู่ที่จะถวายผ้ากรถิน่นหรือถวายผ้าป่าหรือถวายผ้าสังฆทานอยู่ที่ จำนวนของผ้าที่เราถวายจำนวนข้าวของเงินทองที่เราเสียสละแบ่งปันให้กับพระพุทธศาสนาดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องมาแย่งกระจองกระถินกันเราถ้าอยากจะทำบุญกระถินก็ร่วมกันได้เป็นกระถินสามัคคีไปก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของเราคนเดียวเท่านั้นเราจะเอาบุญหมดถ้าคิดแบบนี้เป็นกิเลส เป็นความโลภและเป็นการกีดกั้นผู้อื่นแม้เขาได้รุ่มทาบุญด้วยผู้ทาบุญนี้ต้องเป็นผู้ที่ใจกว้างการเสียสละนี้แม่งปันนี้เป็นการใจกว้างเสียสละทรัพย์แล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เขาไม่มีโอกาสได้ทาบุญกระถิ่นเพราะกระถิ่นนี้ในยุคปัจจุบันนี้กลายเป็นบุญใหญ่เพราะว่าชาวพุทธเราถือว่า มีหนึ่งจะได้ทําบุญสักครั้งหนึ่งบุญสําคัญสักครั้งหนึ่งก็เลยรวบรวมเงินทองที่เก็บไว้ตลอดทั้งปีเพื่อที่จะเอามาถวายให้กับวัดอันนี้เป็นบริวารของกรถินนะรวบกรถิ่นเองนี้เป็นผ้าผืนเดียวเท่านั้น เ, นเองหรือกี่ผืนก็ได้เป็นผ้าเพียงอย่างเดียวแต่ส่วนของอย่างอื่นนี้เขาเรียกว่าเป็นบริวารกรถินเช่นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ แล้วก็เงินทองนี้ถวายไว้ให้กับวัดเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะวัดก็ต้องมีการดูแลซ่อมแซมปฏิสังขรนอาคารต่างๆถาวรและวัตถุต่างๆเมื่อใช้ไปใช้ไปก็ย่อมเสื่อมลงย่อมอมีการชำนุดสุดทรงถ้าต้องการที่จะรักษาวัดวาอารามให้อยู่ดูสวยงาม ก็จำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการทำรูปบำรุงชาวพุทธเราชาวพุทธไทยเราจึงถือโอกาสในช่วงทําบุญใหญ่คือบุญกรถินนี้รวบรวมเงินทองที่มีอยู่ที่ที่เสียสละแบ่งปันได้เข้ามาถวายให้กับวัดเป็นทรัพย์สมบัติของวัดไม่ได้เป็นทรัพย์สมบัติของพระรูปหนึ่งรูปใดเป็นทรัพย์ส่วนกลาง อันนี้คือบุญใหญ่ใหญ่ตรงนี้ใหญ่ตรงที่จํานวนปัจจัยเงินทองที่เราได้มอบถวายให้กับวัดเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาดัง<ม>นั้นคนที่จะเป็นเจ้าภาพจริงๆนี้ต้องเป็นคนที่กระเป๋าใหญ่ถ้าเป็นปเจ้าภาพแล้วมีแค่ร้อยบาทนี้มันจะทําให้มัดเขา <c oughs> ลําบากเ <c oughs> แล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายน ดนคนที่จะเป็นเจ้าภาพกรถิญ น, นี้ต้องดูฐานะของตัวเองก่อนอย่าไปหลงกับคําว่ากรถินเพราะว่าอยากจะทําบุญตามกําลังของเราทําบุญช่วงไหนก็ได้บุญเท่ากันทําบุญเป็นเจ้าภาพกรถินเป็นเจ้าภาพพระป่าเป็นเจ้าภาพสังฆทานหรือทําบุญอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทําตามกาลังของเราเราก็จะได้บุญตามกําลังของเราไป แต่ถ้าเราไปจองเป็นเจ้าภาพกถินแล้วเราก็ไปทําให้เจ้าผู้อื่นที่เขามีกําลังทรัพย์มากกว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพมันก็เป็นการเหมือนกับไปการไปไปขวางการได้รับการทำนุบารุงของทางวัดไปวัก็อาจจะขาดกานอาจจะต้องค้านค่าน้ําค่าไฟค่าจ้างคนที่มาทํา ทำงานในวัดดูแลวัดค่าช่างช่างก่อสร้างอะไรต่างๆก็จะไม่สามารถทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าภาพก็ถิ น, นถึงจะได้บุญมากยอยากจะได้บุญมากต้องกระเป๋าใหญ่ๆแล้วจ่ายเยอะๆนั้นั้นถึงจะได้บุญมากอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อ เพื่อสนับสนุนหรือเพื่อขอให้ญาติโยมทำบุญด้วยเงินมากๆนะเพราะว่ามีบุญที่ไม่ต้องใช้เงินที่ได้บุญมากกว่าการทำบุญก็มีอยู่เช่นรักษาศีลเนี่ยรักษาศีลให้ได้ตลอดชีวิตเถิดศีลห้าเนี่ยจะได้บุญมากกว่าการถวายภากรถิ่นทุกปีได้มากกว่าการเป็นเจ้าภาพกรถิ่นถวายเงินถวายทองทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพราะว่าอนิสงค์ของการรักษาศีลนี้มันมากกว่าอนิสงค์ของการทำทานการทำทานนี้มันก็จะทำให้เราร่ำรวยในภพหน้าชาติหน้าแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลเราทำบาสนี้เราจะไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์เราจะไม่ได้ไปเป็นเทวดาไปสวรรค์เพราะเราจะต้องใช้บาปในอบายก่อนใช้กรรมที่เราทำไว้ในอบาย เกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสมมุติว่าเราเป็นเจ้าภาพกรถินทุกปีแต่เราไม่รักษาศีลเราทํามาหากินช่ อ, อช่อโกงหลอกลวงได้เงินมาแล้วก็เอาเงินมานี่มาทําบุญถวายเป็นผ้ากรถินเนี่ยพราะเราไม่รักษาศีลเวลาตายไปเราจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปนรกหรือไปอบายส่วนใดส่วนหนึ่งสาเหตุที่ มีสัตว์ที่มาเกิดแล้วเป็นสัตว์ที่สวยงาม น, น่ารักเนี่ยมีคนเอามาเลี้ยงดูเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาทำบุญเยอะแต่เขาไม่รักษาศีลเขอะไรต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมารับอนิสงค์จากการทำบุญเยอะของเขาคือจะมีคนเอามาเลี้ยงดูบางทีเลี้ยงดูดีกว่าคนอีกหมาบางตัวนี่มีบ้านอยู่เองมีห้องปรับอากาศ มีคนใช้คอยรับใช้คอยเลี้ยงดูตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเนี่ยได้ทำบุญมามากในชาติก่อนแต่ไม่รักษาศีลจึงไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาลื่อมารวยแบบมนุษย์แต่ถ้าได้รักษาศีลด้วยได้ทำบุญด้วยพระดาตายไปก่อนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาก่อน ไปเป็นเทพก่อนไปเป็นเศรษฐีทางจิตวิญญาณก่อนพวกเทพนี้ถือว่าเป็นพวกเศรษฐีมีบุญมากอยู่กินอย่างสุขอย่างสบายในสวรรค์แล้วพอบุญบดก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ร่ารวยอย่างพระเวชสันดร น, นี่ตอนที่เป็นพระเวชสันดรท่านก็ทาบุญบริจาคมากมาย ก, กายกองแล้วท่านก็รักษาสี่ง ปฏิบัตธิธรรมด้วย mm. พอท่านตายไปท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพ mm. แล้วพอลงมาจากสวรรค์ชั้นเทพ mm. ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชกูมาน mm. mm. มีทรัพย์สมบัติมากมายมีประสาทสามฤดูมีบริสัท์บริวารคอยรับใช้เลี้ยงดู mm. mm. อันนี้เป็นอ น, นิสงส์ mm. จากการที่ได้ทำทั้งบุญ และได้รักษาศิงห์อย่างเคร่งครัด่างนั้นท่านที่ไม่มีทรัพย์มากไม่สามารถเป็นเจ้าภาพบุญอะไรต่างๆได้ก็ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องกังวลทำไปตามกาลังของเราเท่าที่เรามีอยู่แล้วก็รักษาศิงหห้าให้ดีอย่าทาบาปแล้วรับประกันได้ว่ากลับมาพบหน้าชาติหน้าจะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรก จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะร่มจะรวยมากน้อยก็อยู่กับบุญที่เราได้ทำไว้ในอดีตชาตินะ น, ะนี่คือเรื่องของการกระทำบุญการกระทาบุญทางพระุทธศาสนานี้มีหลายระดับด้วยกั น, นพวกกระถินพวกภ้าป่าพวกสังฆทานนี้ถือว่าเป็นบุญระดับ ระดับล่างระดับต้นระดับที่หนึ่งคือเป็นทางเป็นการเสียสละทรัพสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินไปเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้หรือว่าถ้าใช้ก็ไปใช้ในทางที่เสียหายแค่มีเงินมากก็เอาไปใช้แบบฟุ่มเฟือยหรือไปซื้อของที่ไม่จาเป็นหรือไป ใช้กับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจคือการไปเสพอบายามุข<ม>ไปใช้กับการเดิมสุรายาเมามเล่นการพนัน<ม>เที่ยวเตร<ม>ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ<ม>การกระทำแบบนี้มันจะปลุกฝังนิสัยที่ไม่ดีและมันจะดูดทรัพย์สมบัติเงินทองที่มีอยู่ให้หมดไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว แล้วก็จะทำให้ต้องไปหาเงินหาทองต่อไปโดยวิธีทุจริตเพราะเมื่อเงินหมดเงินไม่พอใช้หากินแบบธรรมดาก็หามาไม่มากพอกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปก็อาจจะต้องใช้วิธีทุจริตลักทรัพย์โกหกหลอกลวงเป็นต้นอันนี้อย่าเอาเงินที่เรามีอยู่นี้ไปใช้กับสิ่งเหล่านี้เพราะมันจะเป็นพิษเป็นภยัย มันเป็นเหมือนยาเสพติดด้วยใช้แล้วมันติดเคยเดิมโซลาแล้วมันต้องเดินอยู่เรื่อยๆเคยเล่นการพ น, นันเช่นวันนี้เคยแทงหวยนีย่วันนี้ต้องแทงหวยแล้วมีมากมีน้อยก็ต้องเอาละบางทีไม่มีเงินกินข้าวก็ยอมอดเพราะต้องมันติดหวยแล้วใจมันสัน่นเดี๋ยวไม่ได้แทงก็รู้สึกเสียดายเกิดมันออกมาแล้วไม่ไม่ถูกน ก็อะไรต้องติดพอติดแล้วต้องซื้อหวยแทงหวยต้องต้องใช้เงินเนี่ยแล้วเงินบางทีไม่พอใช้อาจจะไปขอยืมเขาก่อนก็ไปเป็นหนี้เป็นสินอีกแล้วถ้าไม่ใช้เขาก็กลายเป็นการลักทรัพย์เป็นการโกหกหลอกลวงไปอีกอันนี้เป็นการใช้เงินที่ไม่ถูกซื้อเอาถ้าเรามีเงินแบบนี้เงินเหลือใช้แล้วอยากจะมีความสุขเอามาทําบุญดีกว่า ช่วงนี้มีงานกระถิ่นใครก็แจกซองมากี่ซองใส่ไปให้หมดเลยไม่อย่างนี้ยังจะมีประโยชน์กว่ามีประโยชน์กว่าการที่เอาเงินไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆเพราะมันจะทำให้เราใช้แบบไม่พอใช้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆถ้าเคยซื้ออะไรแล้วมันติดนิสัย พอไม่ได้ซื้อแล้วมันหงุดหงิดลำคาญใจไม่มีความสุขแต่เวลาที่เราเอาเงินมาทำบุญนี้มันจะไม่ติดมันจะมีความสุขมีความอิ่มใจสบายใจแล้วมันจะทำให้เราไม่หิวกับการใช้เงินไปในทางที่ผิดเราจะไม่หิวกับการไปซื้อสุรามาดืม่มไม่หิวกับการไปเล่นการพ น, นันไม่หิวกับการไปเที่ยวเตะหรือซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จาเป็นต่างๆ นี่คือหน้าที่ของการทําบุญทําทานเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปใช้เงินในทางที่ผิดเพื่อจะได้มาทําให้เราไม่ต้องไปทําบาปคนที่ทําบุญแล้วมักจะไม่ค่อยทําบาปคนที่ทําบาปนี่มักจะไม่ค่อยทําบุญกันเพราะจะเอาเงินไปใช้ในทางที่เสียหายไปในทางที่ผิดแล้วพอเงินหมดก็ต้องไปทําบาเพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้ต่ อ, อ ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินใช้ทองขอให้เราเอาเงินไปทําบุญทําทานกันแล้วการทาบุญทาทานนี้ก็ทาได้หลากหลายรูปแบบได้ความสุขเหมือนกันได้ความสุขใจอิ่มใจเป็นเหมือนอาหารที่มีหลากหลายชนิดด้วยกันกินเข้าไปก็ทำให้อิ่มท้องแต่ถ้าอยากจะให้มีความอิ่มใจด้วยเราก็เลือกอาหารที่เราชอบ ถ้าเรากินอาหารที่เราชอบนอกจากได้ความอิ่มอิ่มท้องแล้วเราก็ได้ความอิ่มใจด้วยการทำบุญก็เหมือนกันการทำบุญได้บุญคือความอิ่มของใจแล้วถ้าต้องการความสุขใจด้วยเราก็ต้องเลือกทำบุญที่เราชอบทำบางคนชอบไปปล่อยนกปล่อยปลาทำแล้วรู้สึกว่าได้มีความสุขใจมากกว่าการทาบุญใส่บาตรสมมติ พรบางทีไม่แน่ใจว่าใส่กับพระบอมหรือพระจริงก็เลยไม่ค่อยมั่นใจใส่แล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขใจแต่ได้ไปปล่อยนกปล่อยปลาแล้วรู้สึกว่าเห็นเขาได้มีอิสระภาพได้เขามีความสุขอันนี้ก็เกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็ศรัทธาพระชอบใส่บาตรกับพระใส่แล้วก็มีความสุขไม่ชอบปล่อยนกปล่อยปลาเพราะไปคิดว่านกปลานี้มัน ไปถูกเขาเขาคนที่ขายนี่ไปไปจับมาแล้วก็มาให้มันกินยาเดี๋ยวมันก็กลับมาหาเจ้าของอีกปล่อยนกก็เดี๋ยวเสร็จมันก็กลับมาใหมา่ก็เป็นการเวียนเทียนอย่างนี้เขาเขาก็ไม่อยากจะไปปล่อยนกปล่อยปลาก็มีอันนี้แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนการทําบุญทําทานจึงมีหลากหลายวิธีด้วยกันแต่ก็ได้ผลคือให้ให้ใจมีความสุข ให้ใจมีความอิ่มมีความพอส่วนจะสุขมากสุขน้อยนี้อยู่ที่บุญชนิดที่เราทํากันถ้าเราได้ทําชนิดที่เราชอบเราก็จะมีความสุขมีความปิติมีความเพิ่มเพิ่มปิติมากขึ้นบางคนทําแล้วก็น้ําตาไหลก็มีนีอันนี้ก็เลือกได้แล้วแต่เจติดของแต่ละคนบางคนชอบทํากระรงพยาบาลก็ทํากระรงพยาบาลได้ทํากระรงเรียนก็ได้ ทำกับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็ได้ป mm hmm. อเต็กตึงร่วมกับต mm ันยูองค์กรที่เขาทาคุณประโยชน์ให้กับสังคม mm hmm. สภากาชาติไทยอะไรทำนองนี้เลือกทําได้การเป็ น, เ ป, นเป็นทานเหมือนกันเป็นการให้เป็นการเสียสละแบ่งปันเป็นการสะสมทรัพย์ภายในทรัพย์ที่จะมาเป็นของเราในภพหน้าชาติหน้า กลับมาทราบหล่งนี้จะกลับมาเป็นของเราใหม่ mm hmm. หรือว่าเวลาที่ตายไปเราก็ไม่ต้องไปเป็นดวงวิญญาณที่เล่ร่อนเป็นขอทาน mm hmm. เป็นเปรต mm hmm. เราก็จะไปเป็นเทพ mm hmm. ไปอยู่สวรรค์วิมานชั้นต่างๆ mm hmm. มีความสุขในระดับต่างๆ mm hmm. ขึ้นอยู่กับกำลังของการทำบุญของเราว่าทำมากทำน้อย mm hmm. นี่คือบุญขั้นแรกที่ทางศาสนาสอนให้ชาวพุทธเราทากัน เพราะเป็นการทำที่ง่ายกว่าบุญขั้นอื่นบุญขั้นที่สองนี้จะยากกว่าขั้นที่หนึ่งคือการไม่กระทำบาปเพราะว่าการไม่ทำบาปนี้บางทีมันมันขัดกับความรู้สึกของเราเวลาที่เราโกรธหรือเวลาที่เราโลภอยากได้อะไรนี้มันจะทาให้เรานี้บางทีทนต่อสู้กับความโลภความโกรธไม่ไหว ก็ต้องไปทำร้ายผู้อื่นไปทำบาป<ม>อยากได้อะไรมากๆไม่มีมอย่างนี้ไม่มีเงินซื้อ<ม>ก็ต้องไปขโมยของเขา<ม> ห, หากหักห้ามจิตใจไม่ได้<ม>การทำบาปนี้มันเกิดจากการที่มีกิเลสตัณหาอยู่ในใจมาก ม, มีมีกิเลสมากมันก็จะผลักดันให้เราไปทำบาปได้มากขึ้นเพราะว่ามันต้องการในสิ่งที่เราไม่สามารถ หาซื้อมาได้ด้วยเงินทองของเราเองถึงเป็นสิ่งที่ยากกว่าการทำบุญทำทานทำบุญทำทานเรามีเงินเหลือใช้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่ได้ใช้ให้ไปก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันก็เป็นของง่ายแต่เวลาอยากได้อะไรแล้วนี่แหมมันทำให้ใจนี้เด่นทาให้ใจทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับขึ้นมาต้องไปทำบาปเพื่อระบายอารมณ์ที่ไม่ดีให้มันหมดไป การการรักษาศีลจึงเป็นของที่ยากกว่าการทำทานแต่อันนิสงก็มากกว่าการทำทานเพราะถ้าทาบาปได้ไม่ทำบาปได้นี้จะปิดประตูอบายได้อาบายคือที่ไปของผู้กระทำบาปมีอยู่สีสี่ที่ด้วยกันทำบาปด้วยความหลงนี้จะไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภนี้จะไปเป็นเปรื ทำบวทำบาปด้วยความกลัวนี้จะไปเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกรธเกลียดจะไปนรกเพราะจะเป็นผู้ที่ไปนรกก็คือไปอยู่ในถูกไฟนรกคือไฟของความโกรธนี่เผาผลาญดวงวิญญาณผู้ที่เป็นอสุรกายก็จะถูกไฟของความกลัวเผาผลาญดวงวิญญาณผู้ที่ไปเป็นเปรตก็จะถูกไฟของความโลภ เผาผานจิตใจผู้ที่ไปเป็นเดรัจฉานก็จะถูกไฟของความหลงความหลงเกิดความไม่รู้ผิดถูกดีชั่วคิดว่าเป็นการเลี้ยงที่เป็นการป้องกันตัวเองก็เลยไปฆ่าผู้อื่นไปเลี้ยงที่ของตนเอ ง, อ, งอันนี้ก็จะเป็นนิสัยของเดรัจฉานไปแต่ถ้ารักษาศีลได้มาเกิดในยุค มาเกิดเป็นพระพุทธเ ป, เป็นมนุษย์แล้วก็มีพระพุทธศาสนามาสอนให้เรารู้โทษของการกระทำบาป <c oughs> เราก็จะได้ <c oughs> หักห้ามจิตใจไม่ทำบาปกัน <c oughs> การรักษาสีนี้ก็อาจจะทำจากน้อยไปหามากก็ได้ถ้าเรารักษาทุกวันไม่ได้อาจจะเอาเริ่มต้นที่วันพระก่อนก็ได้วันพระเนี่ยขอให้เป็นวันที่เราไม่ทำบาปทั้งหนึ่งวัน <c oughs> แล้วพอเรารู้สึกว่าเออเราก็ทำได้นะวันหนึ่งนี่ก็เรงอาจจะขยายเป็นสองวันสามวันไปหรือตอเรื่องถ้าทำได้เพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปก็จะทำได้ทุกวันเอง <c oughs> หรือว่าถ้าทำห้าข้อไม่ได้ก็เอาทีละข้อก่อนก็ได้เ <c oughs> ช่นข้อข้อที่ห้านี่เอาข้อที่ห้าก่อนอย่าดื่มสุรายาเมา พอได้แล้วก็มาข้อที่สี่ไม่โกหกแล้วมาข้อที่สามไม่ประพฤติผิดประเวณีแล้วก็มาข้อที่สองไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นไม่ชอบโกงแล้วก็ข้อที่หนึ่งก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพิ่มทำเพิ่มไปทีละข้อก็ได้ถ้าเรายังมีกําลังน้อยไม่สามารถที่จะทําได้ทีเดียวพร้อมกันหมดเลือกเอา เอาแบบทีละข้อหรือเอาแบบห้าข้อแต่เอาแค่อธิตย์ละครั้งก่อนก็ได้เอาในวันพระก่อนลองทำไปแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราทำได้มันไม่ใช่เป็นของยากเย็นจเกินไปถ้าเรามีความตั้งใจและเรามีฮ<ม>ิริโอตตาการที่เราจะทำบุญไม่ทำบากรักษาศีลได้ น, นี้ต้องอาศัยการมีฮิริโอตตะฮิริแปลว่าอะไรฮิริแปลว่าความอาย เวลาคนเราทําความชั่วนี้มันรู้สึกมันอายตัวเองอายคนอื่นด้วยไม่อยากให้คนอื่นเขารู้เวลาเราลักขโมยของนี้ไม่อยากให้คนอื่นเขารู้เพราะอายเขานะแล้วก็กลัวโอตระปาคือความกลัวผลบาปที่จะตามมาผลบาป ก, ก็มีตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตายแล้วก็ตายไปแล้วตอนที่ไม่ตายก็อาจจะกลายเป็นคนที่สังคมเขารังเกียจ เราทำบาปแล้วไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยแล้วก็อาจจะถูกจับไปติดคุกติดตารางด้วยถ้าไม่ติดคุกติดตารางเวลาตายไปก็ต้องไปติดคุกในในโลกทิพย์ไปเกิดในอบายให้เราสำนึกถึงผลของการทำบาวว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นจะทำให้เราเป็นคนไม่น่าชื่นชมยินดีใครเขารู้ว่าเราเป็นคนทาบาปเป็นคนโกหกหลอกลวงชอฉนดี ้ะไม่มีใครก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วย <S <S <an> <S จะเป็นคนที่หน้ารังเกียจของสังคมเราจะเป็นคนที่น่าอับอายขายขายขี้หน้า <S <S <an> <S ถ้าเรามีความอายเราไม่อยากให้สังคมเขารังเกียจเราเราก็จะต้องตั้งปณิธานว่เาเราต้องไม่ทำบาปให้ได้ <S <S <an> <S ยอมตายดีกว่าทำบาปเนี่ยอยู่แบบคนที่ทำบาปก็อยู่ค ต, ตายไปโดยไม่ทำบาปนี้มันดีกว่ามีศักดิ์ศรีกว่าเยอะแยะแถ้าเรามีฮิริโอตปะล้วมีปณิธานมีความตั้งใจที่แ น, น่วแน่นี้การรักษาศีรีนี้ไม่ยากเลยลองทำดูลองเอาไปคิดดูเมื่อเราได้รักษาศีแล้วเราจะได้ป้องกันจิตใจของเราไม่ให้ตกต่ำเป้าหมายของจิตของชีวิตเรานี้คือการพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไป ไห่ขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นของพระอรหันถ้าเรามีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้นําทางมาเป็นผู้สั่งสอนเหล่านี้เราไปได้ทุกคนไปได้หมดแต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนนี้ไม่มีใครไปถึงจุดสูงสุดของจิตใจได้ไปได้ก็แค่ขั้นเกือบสูงสุดแต่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุด ขั้นสูงสุดนี้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรลุก่อนตัดสรลุวิธีที่จะก้าวให้ขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดได้แล้วถ้าพอมีพระพุทธเจ้าแล้วพอได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสอนไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถพัฒนาจิตใจให้ถึงขั้นสูงสุดได้คาสอนพพุทธเจ้าก็สอนเนี่ยขั้น สอนตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งการพัฒนาจิตใจขั้นที่หนึ่งก็คือให้พัฒนาด้วยการทำบุญทำทานยกจิตใจให้เราสูงขึ้นให้เราเป็นผู้ให้เป็นเป็นผู้ที่มีความเสียสละแบ่งปันแล้วก็เราจะได้อ น, นิสงส์ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดาได้ ถ้าเรายัางทาบุญทาทานไม่ทาเพียงแต่รักษาศีลอย่างเดียวเราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้คือศีลนี้ป้องกันไม่ให้เราตกต่ำกว่าขั้นของมนุษย์ตอนนี้พวกเราเป็นมนุษย์กันแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลกันถึงแม้เรามีร่างกายของมนุษย์แต่ใจของเราอาจจะต่ำกว่ามนุษย์ได้<ม>ก็ได้อย่างที่มีคาพูดว่ามีร่างกาย เป็นมนุษย์แต่ใจอาจจะเป็นสัตว์ดยราชานไยก็ได้ถ้าทำบาปด้วยความด้วยความหลงถ้าทำบาปด้วยความโลภก็ใจก็จะกลายเป็นเปรตไม่ต้องรอให้ไปตายก่อนถึงเป็นเป็นตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ใจบางคนนี่เป็นเปรตบางคนก็เป็นนรกเราถึงบางทีถามว่าทำไมคนถึงเฮี้ยมโหดอย่างนี้ทำไมฆ่าคนได้เป็นร้อยเป็นพัน เพราะใจมันเป็นมันเป็นนรกแต่ละมันเป็นเดรัจฉานแต่ละมันไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วมันถึงสามารถทำทำสิ่งที่เหี้ยมโหดทารุณต่อผู้อื่นได้เพราะไม่รักษาศีลเพราะไม่มีใครสั่งใครสอนเพราะไม่มีสติยับยัง้งเวลาที่เกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดเวลาเกิดเวลาโกรธเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจนี้ ไม่รู้จะระบายอย่างไรก็คิดว่าต้องระบายตามความรู้สึกคือ ท, ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนแล้วตัวเองนั่นแหละจะเป็นต้องเป็นผู้รับข้อกรรมต่อไปตายไปนี่ก็ต้องไปตกนรกไม่รู้นานสักเท่าไหร่แล้วกลับมาเกิดแต่ละภพแต่ละชาติเวลาเป็นมนุษย์ก็จะถูกเขาทำร้ายเหมือนกับที่ไปทำร้ายเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ ไม่มีถ้าไม่มีศาสนานี้จะไม่มีใครรู้กันก็จะทำอะไรไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ต้องรับผลฆ่าก็แล้วบางทีไม่อยากจะรับรับโทษก็ต้องฆ่าตัวตายไปตายแล้วก็ต้องไปตกนรกต่อโดยไม่ใช่ว่าฆ่าตัวตายแล้วจะพ้นโทษพ้นโทษในโลกนี้แต่ไม่พ้นโทษในโลกทิพย์ดวงวิญญาณก็ต้องไปตกนรกต่อ หรือไปเป็นเปรตเป็นปนสุลกายหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานต่ออีกดังนั้นเนี่ยบุญขั้นที่สองที่เราต้องทํากันให้ได้ก็คือรักษาสี่อย่าทําแต่ทําทานรักษาให้ให้ทานทําบุญเพียงอย่างเดียวเพราะว่ามันยังไม่พอเพียงกับการรักษาความเป็นมนุษย์ของเราเราทําบุญแล้วเรายังไปทําบาปด้วยนี่มันก็จะทําให้เรายังต้องไปรับผลบาปได้อีู่ บุญช่วยเราไม่ได้นะป้องกันไม่ให้เราไปตกนรกไม่ได้นอกจากว่าเราทำบุญมากกว่าบาปเท่านั้นนะถ้าบุญมันมีกำลังมากกว่าบาปบุญมันก็ยังจะดึงเอาไว้ชั่วคราวแต่พอเวลาใดที่บึงมันบุญมันน้อยกว่าบาปขณะนั้นบาปมันก็จะดึงเราไปตกนรกต่อไปไปไปอาบายต่อไปได้นะ อาง้ทเจ้าถึงสอนว่าพอทำทานแล้วเราก็มารักษาศีลกันเพราะว่าคนที่ทำบุญทำทานแล้วนี้จะรักษาศีลได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ทำบุญทำทานเพราะอะไรเพราะคนที่ทำบุญนี้จะเป็นคนที่มีความเมตตามีความปรารถนาที่อยากจะให้ผู้มีความสุขไม่อยากเบียดเบียนผู้อื่นไม่อยากสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น เวลาจะทำอะไรจะคิดก่อนว่าทำแล้วไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนหรือไม่เอ็นเวลาจะไปทำบาปนี่ราไปขโมยข้าวของของคนอื่นก็ต้องคิดก่อน่ะเอเราทำแล้วเขาเสียหายหรือเปล่าเราชอบช่วยเขาเราอยู่ดีๆเราจะไปทำให้เขาเสียหายทำไมฉังนั้นคนที่ทำบุญแล้วจะมีจิตสำนึกที่จะคอยดูผลของการกระทำของตนว่าทำไปแล้วไปทาให้ผู้อื่นเสียหายหเดือดร้อนหรือไม่ ถ้าเสียหายก็ไม่ทํา<ม>ก็จะรักษาศีลได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทําบุญคนที่ไม่ทําบุญนี้ไม่คิดถึงความเสียหายเดือดร้อนของคนอื<ม>่นไม่ได้คิดถึงความสุขของคนอื่นคิดแต่ความประโยชน์คิดแต่ความสุขของตัวเองไม่สนใจว่าการหาความสุขของตัวเองนี้จะไปทําให้คนอื่นต้อง เ, เดือดร้อนหรือไม่เช่นบางทีจัดงานส่งเสียงดังเปิดเสียงดังน้องนําทําเพลง รบกวนชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาติินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เรากำลังสนุกสนานกันไอ้อย่างนี้เป็นพวกที่ไม่ได้ทำบุญไม่ได้คิดถึงความสุขของผู้อื่นคิดแต่ความสุขของตนเองอึ่งพวกนี้จึงเป็นพวกที่รักษาศีลได้ยากพวกที่ไม่ทำบุญจึงรักษาศีลได้ยากดังนั้นก่อนที่เราจะรักษาศีลได้นี่รามักจะต้องหัดทำบุญก่อนเราต้องหัด คิดถึงประโยชน์สุขของคนอื่นแบ่งปันประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นแล้วเราก็จะมีจิตสํานึกที่จะคอยระมัดระวังการกระทําของเราการพูดของเราไม่ให้ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้อื่นพอเราทําบาปปั๊บเราจะรู้ว่าอ๋อมันต้องทําให้เกิดความเสียหายเราก็จะไม่ทํามันก็ทำให้จะทําให้การรักษาสีนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติเลย ไม่ต้องตั้งใจเลยเพราะมันมีจิตสำนึกอยู่ในใจที่เกิดจากการทำบุญทำทานคือความปรารถนาที่อยากจะให้คนอื่นเขามีความสุขอยากจะปรารถนาไม่ให้คนอื่นเขามีความทุกข์นั้นเวลาเราทำอะไรเราก็จะดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้อื่ว่าจะทำให้เขาทุกข์จะทำให้เขาเดือดร้อนหรือไม่หรือจะทำให้เขามีความสุขอันนี้ก็ จะทำให้การรักษาศีลได้ง่ายถ้าเรายังรักษาศีลไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเราทําบุญยังไม่มากพอเรายังคิดแต่เอาแต่ความสุขของเราไม่คิดถึงความสุขของคนอื่นบ้างงั้นลองหัดทำบุญเพิ่มขึ้นถ้าเราสามารถทาได้แต่ถ้าทาไม่ได้ก็ต้องใช้ฮิริโอตตะปะมาคอยเป็นตัวกระตุ้นไม่ให้เราไปทำบาปเ <c oughs> มื่อเรารักษาศีลได้แล้ว เราก็จะปิดประตูบายไม่ต้องตรงลงต่ำกรับมาเกิดอีกครั้งก็จะกลัมมาเกิดเป็นมนุษย์หรือแม่เช่นนั้นก็สูงกว่านั้นก็ไปเป็นเทพตายไปก็ไปเป็นเทพแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาให้สูงกว่านั้นขั้นต่อไปก็ต้องเปลี่ยนจากการรักษาศีห้ามาเป็นการรักษาสีแลแปเราจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันการที่เรารักษาสีลห้านี้ เรายังสามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ยังไปเที่ยวยังไปกินไปดื่มไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่มันเป็นความสุขที่ต่ำกว่าความสุขที่จะได้จากการมาทำใจให้สงบที่เรียกว่าเป็นการฝึกจิตเป็นการภาวนาสมถภาวนา การที่เราจะทำสมถะภาวนาได้เราต้องมีศีลแปดเป็นผู้สนับสนุนเพราะศีลแปนี้จะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกมนิ้งกายศีลข้อสก็เปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีเป็นการปารเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ไปคือจะไม่แสวงหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับแฟนกับคู่ครองของตน เอาเวลาไปนั่งสมาธิแทนไปหาความสุขที่ดีกว่าคือความสงบของใจนอกจากนั้นก็ต้องไม่กินอาหารมากเกินไปกินพอประมาณกินไม่เกินหลั ง, ลงเที่ยงวันก็พอกินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องกินเพื่อให้เกิดความสุขจากการกินเอาเอาเป็นเอาความสุขจากการกินมาเป็นความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่า เพราะความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้มีน้ำหนักมากกว่ามีความสุขมากกว่า <S <S <S เราก็ต้องถือศีลข้อหกไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันแล้วก็ไม่ไปเที่ยวไปหาความสุขจากมือหอรสุบันเทิงร้องําทำเพลงแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเท้าทำผมอะไรต่างๆแต่งกายแบบเรียบง่ายทำน้าล้างหน้า ล้างตาให้สะอาดก็พอไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องสำอางอะไรต่างๆน้ำหอมน้ําหอมน้ํามันอะไรต่างๆไม่ต้องใช้เลยความสุขเหล่านี้เป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขปลอมมาหาความสุขที่จริงที่เป็นความสุขแท้เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าต้องมีเวลาถึงจะทำได้จึงต้องหยุดกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้วกายไป การนอนก็ไม่ให้นอนให้มากเกินไปไม่ให้นอนบนเตียงที่สุขสบายเพราะเตียงที่สุขสบายมันจะทำให้นอนมากแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่มันจะนอนไม่มากพอร่างกายได้พักผ่อนหายง่วงแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆนพานอตื่นขึ้นมาแล้วก็เออขอนอนต่อ นอนต่อเลยเสียเวลาของการที่จะเอาเวลาไปปฏิบัติไปนั่งสมาธิกันอย่างสินงข้อแปดนี้ก็เลยห้ามไม่ให้นอนบนที่นั่งที่นอนที่สำราญที่ใหญ่โตมโหฬารที่เต็มไปด้วยความสุขความสบายให้นั่งให้นอนบนพื้นธรรมดาที่มันไม่สุขสบายเกินไปก็จะได้ไม่นอนมากเกินไปนั่นเอง อันนี้เป็นที่มาของศีลแปดถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วการจะเพิ่มอีกสามข้อก็ไม่ยากเย็นตรงไหนตอนตอน้นเราก็ลองทําแค่อาทิตย์ละครั้งก่อนทําวันพระก่อนวันพระก็ไปอยู่วัดถ้าไปมีวัดไปอยู่ได้ก็ไปอยู่ที่วัดการรักษาศีลที่วัดมันง่ายกว่ารักษาที่บ้านเพราะคนอื่นที่บ้านเขาไม่รักษาเดี๋ยวเขาจะทําให้เราเสียเสียสมาธิได้เห็นเขากินอาหารเย็นเดี๋ยวเราก็อด ขิวไม่ได้อดอยากไม่ได้เรือน้เราไม่กินเขาก็มาชวนเรากินก็ได้ยิ่งมาชวนยิ่งทำให้ยิ่งลำบากใจใหญ่ฉะนั้นไปอยู่ที่คนเขาไม่กินอาหารเย็นด้วยกันดีกว่าก็คคอไปอยู่ตามวัดต่างๆวัดนี้จะไม่มีกินอาหารเย็น mm hmm. เย็นก็ให้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกัน mm hmm. ฟังเทศฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันไปแล้วแต่ละว่าจะจัดขึ้นมา mm hmm. อันนี้ ลองไม่ทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งดูก่อนอถ้าพอทำได้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะติดใจรู้สึกว่าใจเย็นขึ้นใจสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นสามวันสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างหรือหลังช่วงถ้าเป็นเข้าวพรรษาบางทีก็ไปอยู่วัดทั้งพรรษาก็มีออพอติดใจมากกว่า น, นั้นก็อาจจะไปบวชเลยไปอยู่วัดตลอดเลยก็ได้ อันนี้เป็นขั้นตอนของการที่เราจะยกระดับจิตใจจากเทพให้ขึ้นสู่ระดับพรหมโดยการนั่งสมาธินี้จะทำให้จิตใจนี้ขึ้นอยู่ในระดับของของพรหมสวรรค์ชั้นพรหมพรหมนี้เขาเสพความสงบเขาไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพัพะเขาเสพความสงบจากรูปประชานกับอารูปประชานนั้นเวลาถือศีลแปลแล้วต้องต้องนั่งสมาธิให้เข้าฌานให้ได้ วิธีที่จะเข้าชานนี้ก็ต้องอาศัยสติก่นที่ไปปฏิบัตินี้จะต้องฝึกสติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนะทั่งถึงเวลาหลับนี้ไม่ให้ใจลอยไปลอยมาไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆบังคับให้คิดอยู่กับคำบริกรมพุทธโธพุทธโธไปหรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูว่าร่างกายกาลังทาอะไรอยู่ กำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนก็ให้เฝ้าดูอยู่กับร่างกายกำลังอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็อยู่กับการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทำความสะอาดอะไรต่างๆนี่ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราควบคุมใจแบบนี้ได้เวลานั่งสมาธิก็ควบคุมใจให้อยู่กับการดูลมหายใจเท่า อ, ออกได้ดูแต่ลม ดูที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปบังคับให้หายใจลึกๆปล่อยให้มันหายใจตามธรรมชาติของมันเราเพียงแต่อาสัยลมเป็นที่ผูกใจเท่นั้นเองไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราจดจ่ออยู่กับลมได้เดี๋ยวความใจก็จะนิ่งสงบขึ้นมาได้ได้ฌานขึ้นมาถ้าเราไม่ชอบดูลมเราชอบพุทโธเราใช้คําะไการพุทโธพุทโธไปก็ได้ เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเอาสองอย่างปนกันพุโทโธอย่างเดียวก็อยู่กับคำเมตกรรมพุโทโธไปไม่ต้องดูลมหรือถ้าดูลมก็ไม่ต้องพุโทโธแต่บางคนอยากจะได้สองอย่างก็ไม่ก็ไม่ขัดก็ได้เหมือนกันดูลมลมเข้าก็ว่าพุทลมออกก็ว่าโทก็ได้หรือลมเข้าก็ว่าพุทโธลมออกก็ว่าพุโทโธก็ได้เพื่อดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเป้าหมายก็คือให้หยุดคิดให้ได้ ถ้าหยุดคิดได้แล้วใจจะนิ่งใจจะสงบแล้วใจก็จะเกิดความสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงโอตจ่าตรัสว่านัตติสันติบะลังสุขขงังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขที่ได้จากราบยศสารเสริญอยากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยสุขที่ได้จากการถูกรอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งสมมติวันนี้ถูกรอตเตอรีร่วันที่หนึ่งเนี่ยได้ความสุขมาแล้วก็ได้ความทุกข์มาด้วยกัน ว่ากูจะทํางานกับงินนี้แล้วจะเก็บไว้ยังไงดีจะไปซ่อนที่ไหนหรือต้องมีคนมาขอแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วทุกขลาบขึ้นมามแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เยน็นสบายไม่มีใครรู้ว่าเรามีความสุขไม่มีใครรู้ว่าเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งในใจเรามไม่มีใครมาขอส่วนแบ่งมไม่มีใครมารบกวนใจเราอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วพอถ้าเราทําได้แล้วเราก็สามารถทําได้ไปเรื่อยๆ ตายไปจากภพนี้ชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ก็ทําต่อได้ไม่หายไปไม่เหมือนกับทรัพย์สมบัติที่เราได้มาในภพนี้ชาตินี้ได้มาแล้วเดี๋ยวตายไปก็หายไปหมดกลับมาชาติหน้าถ้าไม่ได้ทำบุญใดก็กลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่แต่ถ้าแบ่งทรัพย์ที่เรามีนนี้ไปทําบุญกลับมาภพหน้าชาติหน้าก็ยังมีทรัพย์รอเราอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็หวงเงินเจียดยเงินไม่ชอบทํากันอยากเก็บไว้ใช้กัน ตายบางทีไม่ทันได้ใช้ตายไปซะก่อน <c oughs> ก็เลยไม่ได้ประโยชน์จากเงินเลยกลับมาก็ไม่มีเงินฝากเก็บไว้ในธนาคารดุญก็ต้องกลับมาเริ่มต้น <c oughs> อันนี้คือบุญที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิยกระดับจิตใจให้ถึงขั้นผอมแล้วเหนือพรมก็มีขั้นอริยเจ้าขั้นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้า พรนิพพานต้องทำบุญอีกระดับหนึ่งคือปัญญาต้องสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสรับ ร, บรู้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ภายนอกราบยศ ส, สรสิญสุขบุคคลต่างๆนี้ทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับเก็บเอาไว้เป็นของเราได้ เราต้องปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวังเขมอย่าไปพึ่งเขาให้ความสุขกับเราให้เราอยู่กับความว่างเป็นที่ให้ความสุขกับเราความไม่มีอะไรนี่แหะเป็นความสุขที่แท้จริงถ้าเราปล่อยวางได้ใจเราก็จะไม่มีความทุกข์เมื่อใจไม่ทุกข์ใจก็จะมีแต่ความสุขความสุขแบบนี้เราเรียกว่าพระนิพพานนิบานังปรมังสุข ข, ขังเป็นความสุขที่ ที่ถาวรเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ความสุขนี้หายไปเพราะสิ่งที่เคยทำให้ความสุขให้หายไปก็คือความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พออยากได้มาก็ต้องไปหาไปดิ้นรนหาหาได้มาแล้วพอเสียไปก็เสียใจทุกใจแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็จะไม่มีอะไรจะต้องทุกข์ด้วยไม่มีอะไรจะต้องไปหาอยู่เฉยๆก็มีความสุขนี่แหละคือขั้นสูงสุด ข, ของการปฏิบัติ ขั้นต้นก็ทำทานขั้นที่สองก็รักษาสีนแล้วก็ขึ้นไปสู่การรักษาสีลแปดสินสบหรือสิีล2 7แล้วก็ปฏิบัตินั่งสมาธิให้เข้าฌานให้ได้พอได้ฌานแล้วออกจากฌานมาก็สอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอาศัยอะไรมาให้ความสุขกับเราให้อยู่กับความว่างความไม่มีอะไรเป็นความสุขที่แท้จริงนิบาลังบลมัง ศูนย์อย่างเนี่ยความพระนิพพานก็คือความว่างการอยู่กับความว่างนี่เป็นพระนิพพานถ้าเราอยู่กับความว่างได้โดยปัศจากความอยากใจเราจะไม่เดือดร้อนใจเราจะมีความทุกข์กันจะมีแต่ความสุขแต่ที่พวกเราอยู่กับความว่างไม่ได้เพราะใจเรายังอยากได้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่มันก็เลยทําให้ใจเราทุกข์ไม่มีความสุขแต่ถ้าเราตัดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ได้ใจเราจะไม่ทุกข์เลย จะอยู่กับความว่างได้อย่างมีความสุขและเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไปนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆที่เอามาฝากท่านในวันนี้คือเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับทานขึ้นไปสู่ระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาเราจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพาน เมื่อถึงขั้นพันธนิพาน์แล้วใจของเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะไม่มีความต้องการอะไรในโลกนี้อีกแล้วไ ม, ารราไม่ต้องการลาบยศเสริษเสริมไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นลดผลพก็ไม่จําเป็นจะต้องมีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาสิ้นสุดของความทุกข์อยู่ที่การปฏิบัติยกระดับจิตใจของเราให้ขึน้นถึงพันุ์นิพานธ์พอได้พันธนิพานแล้ว ปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆก็ก็เป็นอันหมดไปทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนี่คือข้อสรุปของการปฏิบัติตามหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เอานำมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง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 มาเตภวตวันตระยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนัสิลิตะนิจังวุธาปจายโนจตารธรมมวาทานเตอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม ถ้ามีคําถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวพอหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะคุยกันเพราะต้องมีภารกิจต้องทําอะไรอย่างอื่นต่อฉั้นถ้าอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้จะถามด้วยตัวเองก็เข้ามาได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือทางมือถือก็ส่งมาทางเพกทาง YouTube ได้วันนี้ผู้ติดตามมีเท่าไหร่ ผู้ติดตามฟังทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ465ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์227ท่าน YouTube d กเตอร annel 91ท่านวิทยุออนไลน์9ท่าน c l ับ h o u s ์9ท่านหน้นากุฏิ175ท่านรวม946ท่านค่ ะ, ะมีคำถามก็อ่านได้เลย คำถามจากคุณสต e ลเป็นคนขาพิการต้องมีอุปกรณ์ใส่ที่ขาเยอะจะถอดลำบากเวลาใส่บาดเลยไม่ได้ถอดรองเท้าจะบาปมากไหมคะไม่บาปหรอกถ้ามันเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยที่ทำไม่ได้ก็ไม่ถือว่าบาปคือการใส่รองเท้าก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าถือว่าเป็นการขาดความเคารพไม่ให้ความเคารพต่อผู้ที่เราใส่บาดด้วย ก็จะขาดตรงนั้นไปแต่บุญที่ทำก็ยังได้อยู่ไม่บาปเต็มได้<จ>แต่ถ้าถอดได้ก็ดีแต่ถ้าถอดไม่ได้ก็ก็แล้วไปจากคุณอภิเดชก่อนบวชพระต้องไปเป็นนาคกี่วันครับก็แล้วแต่วัดเน่ต้องไปคุยกับวัดที่เราจะบวชว่าเขามีกำหนดการอย่างไรจากคุณมาลัย ตั้งแต่หนูภาวนานั่งสมาธิจนจิตรวมร่างกายหนูมันเปลี่ยนไปทันทีคือเวลาเดินมันโคลงคล e งเหมือนตัวลอยเวลานั่งสมาธิก็เหมือนตัวลอยเวลานอนก็เหมือนตัวลอยเห็นแต่ลมเข้าออกเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบหนูรู้สึกรู้สึกเหมือนมีเหล็กแหลมมาแทงตรงกลางหน้าอกความฟุ้งซ่านไม่ค่อยมีขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะ ก็เจริญสติต่อไปนั่งสมาธิต่อไปให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้ามีอะไรมากระทบ ก, ก็พิจารณาให้เป็นตายลักไปเป็นอ น, นิจจังเป็นของชั่วขาวเกิดแล้วก็ดับไปอนัตตามันเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปของมันเองเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่ต้องไปสนใจให้รู้เฉยๆไป่อยวาง จากคุณอัชราบุญจากการรักษาศีลที่เราปฏิบัตินั้นเราสามารถแผ่บุญนี้ให้สรรพสัตว์ได้หรือไม่เจ้าคะไม่แผ่หรอกบุญของใครของมันแผ่ได้ก็เพียงแต่บุญที่ได้จากการทำานทนั้นคำถามจากคุณเด e Multiversal Unity สัญญาอนิจจังดังนั้น เหตุใดสัญญาที่ถูกต้องคือไตรลักษ์จึงไม่เสื่อมไปครับพราะรักษาไงถ้าพิจารณาอยู่เนียๆมันก็ไม่เสือ่อมถ้าเราไม่พิจารณาทิ้งไว้สักพักมันก็ลืมได้มันก็เสื่อมได้ดงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติถ้าปฏิบัติมันก็จะพิจารณาอยู่จนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจมันก็เลยไม่เสือ่อม จากคุณหริมนการทำจิตให้เป็นกุศลต้องทำยังไงเจ้าคะปฏิบัติยังไงเจ้าคะถึงจะได้บุญมหาศาลก็ต้องศึกษาว่ากุศลเป็นยังไงศึกษาจากพระพุทธเจ้ากุศลก็คือมองคล38มสข้อนี่นะคือกุศลเราไปศึกษามงคล38แล้วพยายามปฏิบัติตามให้ได้ก็จะได้กุศลเกิดขึ้นมาในใจของเราจากคุณมัครี ถ้าเราทำความดีรักษาศีลสม่ำเสมอผลของการกระทำส่งผลให้เกิดเป็นเทพอยู่บนสวรรค์จะไม่ทำให้เราเสียเวลามาเกิดในภพมนุษย์เพื่อปฏิบัติทําให้พ้นทุกข์หรือคะเพราะหนึ่งวันบนสวรรค์เท่ากับหนึ่งร้อปีมนุษย์ก็ไม่ได้ทำแค่นี้เนี่ยรักษาศีลแล้วก็ให้ไปภาวนาต่อแล้วก็ไปไปนิพพานเลยไม่สามารถไปได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องเสียเวลา ถ, ถ้าทำแต่ทานรักษาศีลมันก็ไปได้แค่ขั้นเทพตรงนี้ถ้าอยากจะไปแบบไม่ต้องกลับมาเลยก็ปฏิบัติได้ให้ทานศีลภาวนาให้มันครบชุดไปเลยพอครบมันก็ไปถึงนิพพานได้เลยจากคุณออนทำทานเพราะโลภหวังอยากได้อยากมีค่ะทำอย่างไรคิดอย่างไรจะเป็นการละกิเลสเจ้าคะ่ะ คือการทำบุญทำทานมันก็ได้ผลของมันอยู่แล้วจะอยากได้หรือไม่มก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าไปอยากได้ผลที่ไม่ได้เกิดจากการทำทานมันก็จะผิดหวังเช่นทำบุญแล้วให้เขามาชอบเราลักเราหรือดีกับเราแต่เขาอาจจะไม่ชอบเราลักเราก็ได้เราก็อาจจะเสียใจถ้าเราไปหวังผลอย่างนั้น แต่ถ้าเราวังผลว่าทําบุญแล้วทําให้เรามีความสุดใจอิ่ใจตายไปเราได้ไปสวรรค์อย่างนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปอยากเพราะมันได้โดยอัตโนมัติเหมือนกับการกินข้าวกินข้าวไม่ต้องไปอยากให้มันอิ่มมันต้องอิ่มแน่ๆถ้ากินไปเรื่อยๆคําถามจากคุณสุกัญญาขอให้อธิบายเรื่องพระธาตุเพื่อเป็นความรู้เจ้าค่ะพระธาตุก็คือกระดูก ข, ของบ้าอาหารของพระเจ้าที่กลายเป็นธาตุธาตุก็เป็น เป็นเหมือนกับเหมือนเป็นเหมือนเขาเรียกก้อนหินเนี่ยหิ น, หนตา่างๆเรียกว่าเป็นพระาธาตุไปจากคุณลีลาวดีฝึกสมาธิจนจิตตวมสงบดีมีอาการตกหลุมแต่ได้ยินเสียงภายนอกจะต้องทำอย่างไรต่อเจ้าคะไม่ต้องทำอะไรก็ภาวนาต่อไปดูลมได้ก็ดูดูไม่ได้ก็เฉยๆไปให้รู้เฉยๆไปจะมีอะไรปรากฏก็ไม่ต้องไปสนใจรับรู้ มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปไม่ต้องไปทำอะไรให้รู้เฉยๆจากคุณคุณนภาอยากทํากรรมฐานได้ต้องเริ่มจากอะไรคะก็เริ่มจากการกระทำเลยถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้ก็ต้องศึกษาก่อนศึกษาว่ากรรมฐานนี้เป็นอะไรทําอย่างไรแลเราไปค้นคว้าหาดูเราไปค้นดูเสร็จเนี่ยเริ่มต้นที่คําว่ากรรมฐานเนี่ยใส่เข้าไปในส่งเขา้เขาไปในมือถือ มันก็จะผูกขึ้นมาแล้วอธิบายให้เรารู้ว่ากรรมฐานเป็นยังไงพิธีปฏิบัติจะทำยังไงมันก็ค้นเอาได้ของพวกนี้จากคุณนุกการบนบานเพื่อให้ได้สิ่งที่ตามที่หวังเป็นบาปไหมคะไม่บาปหรอกมันเป็นความเพ่อเจอ้อเป็นความโ ง, ง่เงมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลมันไม่ได้เป็นความจริงความจริงมันต้องเกิดจากการกระท ไม่ใช่อยู่เฉยๆขอให้เป็นมหาเศรษฐีเช่นวันนี้ขอให้ถูกหวยเราไปดูถูกก็ป่ะ <c oughs> ถ้ามันถูกก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของจังหวะพอดีจังหวะมันจะถูกมันก็ถูกแต่บนบานแล้วไม่บนบานมันก็ถูกถ้ามันไม่ถูกบนบานแล้วไม่บนบานมันก็ไม่ถูกอยพอดีจักคุณตรง การฝึกกสินสีสมถวิปัสนาต้องวางจิตอย่างไรครับมีวิธีอย่างไรครับก็นึกถึงสีนั้นอยู่ในใจเช่นสีเขียวเราตอนต้นก็มองต้นไม้ใบใบไม้ก่อนจําสีของใบไม้แล้วก็หลับตาแล้วก็นึกถึงสีของใบไม้ให้อยู่ในใจให้มันพยายามตั้งอยู่ไปตลอดอันนี้ก็เป็นการใช้ใช้สีเป็นกสินเป็นเครื่องอบรม ทำใจให้สงบได้เหมือนการดูลมแทนที่จะดูลมก็ดูสีแต่มันยากกว่าเพราะลมมันลีอยู่แล้วดูง่ายกว่าถ้าดูสีต้องต้องนึกขึ้นมาต้องบังคับใจให้นึกให้ผลิตสีขึ้นมาในใจในจอภาพหลับตาแล้วต้องทำให้ให้เป็นสีเขียวไปทั้งจอเลยหลับตาแล้วเห็นแต่สีเขียวอย่างเดียวไปคุณจวนทิพย์ เคยได้ยินมาว่าปฏิบัติอย่างน้อยเจ็ดปีจะสามารถบรรลุพระโสดาบันได้คือเราต้องนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละกี่นาทีคะอ๋อทั้งวันเลยไม่ทำอะไรอย่างเงีนเลยไม่บวชเป็นชีเป็นพระนี่ตั้งแต่เก็ดจนหลับคุณธนวุฒิการเจริญสติขณะเดินถ้าเรากำหนดพุธขณะเท้าซ้ายแตะพื้นกาหนดโทขณะเท้าขวาแตะพื้นควรหรือไม่ครับ ได้ทั้งนั้นเนี่ยเป้าหมายก็คือไม่ให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคำถามจากคุณเซเรนโยมมีความทุกข์ใหญ่เข้ามาค่ะโยมทำสมถะอยู่ทุกข์หยุดชั่วคราวค่ะพยายามใช้ปัญญาแบบใช้ความคิดนำแต่ใจมันยังไม่ยอมรับกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงโยมต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะก็เราเผยสติไงถ้าไม่เผยสติทุกข์มันก็เข้ามาไม่ได้กรรมมาที่สติ ใช้กรรมเวรกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวทุกข์ที่เข้ามามันก็จะหายไปจากคุณสิทธิทโชควันนี้ได้โอกาสไปทอดกรถินรู้สึกดีใจมากและอยากถ่ายรูปกับพระท่านแต่เจ้าภาพใช้เวลากับการถ่ายรูปจนเลยเวลากําหนดการ <c oughs> เราเลยยอมถอยออกมาแต่ก็ยังรู้สึกไม่พอใจควรวางใจอย่างไรครับวางใจว่าอะไรมันที่มันไม่อยู่ในวิสัยเราเราก็อย่าไปอยากได้มันก็แล้วกัน สิ่งไหนที่เราทำได้ก็ทำไปสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทำจากคุณปฐมพงม์ <C oughs> คนที่มีปัญญาทางโลกเยอะๆถ้าหันมาทางธรรมจะมีปัญญาเยอะเช่นกันหรือไม่ครับ <S <S ก็อยู่ที่ว่าเขามาศึกษาความรู้ทางธรรมหรือไม่ถ้าความรู้ทางโลกมาใช้กับการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ต้องมาเรียนใหม่ต้องมาเรียนเรื่องตายรักเรื่องอริยสัจส่ จากคุณสุคนธาครูบาอาจารย์บางองค์เมื่อมรณภาพแล้วร่างกายไม่เน่าเป็นเพราะเหตุใดเจ้าคะก็เราไปถามท่านดูเลยเนาไม่รู้เป็นีัจากคุณนัตภาการแก้กรรมจากการทำแท้งตามสถานที่ต่างๆที่เขาแนะนำลักษณะนี้ควรปฏิบัติตามหรือไม่คะกรรมทำไปแล้วแก้ไม่ได้ลบล้างไม่ได้ วันใดวันหนึ่งมันต้องส่งผลขึ้นมาสิ่งนี้ทําได้ก็คือทำบุญทําบุญไว้ต้านต้านกระแสของกรรมได้อยู่แต่ห้ามกรรมมันไม่ให้เกิดขึ้นมาไม่ได้ผลกรรมต้องเกิดแต่ถ้าเราไม่บุญบุญก็จะช่วยทําให้มันรู้สึกไม่ทุกข์ทรมานมากจนเกินไปจากคุณพิกุลนั่งฟังธรรมภาวนาพุทโธเกิดเวทนามาก ก็ภาวนามาอยู่กับลมหายใจความเจ็บก็ทุเลา ล, ลงแต่ก็ยังข้ามเวทนาไม่ได้ต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็ทำต่อไปแต่อย่าหยุดเราต้องพุทธโธต่อไปดยลมต่อไปจนกว่าใจจะนิ่งปล่อยวางความเจ็บได้มันก็ผ่านไปได้จากคุณภูมิสอบถามครับพุทธพยากรณ์ที่ท่านพยากรณ์ว่า สเขาโคไปสวรรค์ขนโค9ล้านเส้นไปอบายภูมิสีภูมิแล้วทานกับศีลจะเพียงพอต่อการไม่ไปอบายภูมิสีภูมิไหมครับหลังจากการตายจากมนุษย์ถ้าเราไปถามค น, ยนยมพยายกรณ์อยู่เนี่ยมันก็ไม่ใชพยากรณ์่จะตอบยังไงวันนี้เขาถามหมดแล้วเหรถามมีใครอยากจะถามอยู่ไหมตอนนี้มีเวลาว่าง ยกมือขึ้นมาเล่าความมาก็ไม่มีก็จะยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพพจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ